เมื่อร่างกายไม่แปรปรวนก็ส่งผลให้ปลอดโปร่งโล่งใจแตกต่างเป็นคนละเรื่องกับช่วงที่คุมแค้นอยู่เน้นเลยนะครับข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้พยายามบอกเราว่าความอาฆาตจะทำให้ศัตรูของคุณเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าตัวคุณเองนะ่ะเดือดร้อนแน่ๆมีอยู่นะครับ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 มันมีคล้ลายๆอะไรแอบเรนซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกลับเป็นพลังจนหัวใจบิดตานอกกาเปิดตาข้างในอาจรู้ความจริง